เดี๋ยวผมถามท่านอีกนิดนึง <c oughs> สำหรับสูตรนี้นี่นะครับถ้าถ้าท่านกล่าวถึงพระอรหันเนี่ยซึ่งเสร็จกิจแล้วเนี่ยท่านก็มีอุปาทานขันห์5ไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายเนี่ยเพื่อเป็นสุขวิหารธรรมของท่า น, ชนใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อสติกับสัพพัญญาด้วยนะฮะ อ, อันนี้น อ, อันนี้ก็เป็นไ้ก่อนนะครับก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าสาหรับภิกษุผู้มีศีล เอาว่ารวมพวกเราวังเถอะนะผู้มีศีลเพราะนะถ้ายัางอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลแล้วก็กระทำนะฮะอุปาทานขันห้าไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายนี่นะครับเพื่ออะไรครับนั่นแหละเมื่อกี้ก็เพื่อความความเป็นพระโสดาบันนั่นเองเอาเอาอย่าพิ่งนั่นเลยครับคือเป้าหมายสูงสุดคือสิ่งนั้นนะเอามาเอาโสดาบันเอารู้อริยสัจกันแล้วกัน เปลี่ยนสับใหม่ก็หมายความว่าเราพิจารณาอุปาทานขันห้าเพื่อเพราะว่าอุปาทานขันห้าคือทุกขาริยาสัตถ์ฉะนั้นกิจของทุกขาริยาสัตถ์ก็คือการกําหนดรู้ทีนี้ว่าตัวปริญญาเนี่ย น, นะยาต่าปริญญาก็เพื่อตีรณะปริญญาเพราะยาตะปริญญายาต่าปริญญาได้สองวิสุทธิคือทิฏฐิวิสุทธิกับกังขาวิตรณะวิสุทธินะ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 ปัญญานี่ทำไมจึงเกิดทําไมปัญญาไม่เกิดปัจจัยของความิการพิจารณาตัวนี้คืออะไรบ้างนะจะเริ่มศึกษาเรื่องสปายะหละถ้ามีความเข้าใจพระธรรมระดับนั้นจะเริ่มศึกษาสปายะเช่นสถานที่สปายะนะอย่าว่าพิจารณาพระธรรมเลยนะถ้าอ่านหนังสือนี่ยแต่อ่านผิดแห่งก็อ่านไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะนะอย่าว่าพิจารณาพระธรรมเลยเอาตามความเข้าใจใผมนะ การที่เราต้องมาวิจัยอุปาทานขันธ์ห้าก็เพราะยังมีอุปาทฐานอยู่ไปไหวไหมครับคือถ้าหากว่าคือพารหานเนี่ยเป็นผู้สิ้นอุปาทฐานแม้พารหานผู้สิ้นอุปาทฐานก็ยังพิจารณาขันธ์ห้าแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเพราะมีอุปาทฐานขันธ์ห้าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะก็จะเริ่มละละอุปาทฐานแบบตทางข่าปราะหารนะ คือในขณะที่เห็นลักษณะของรูปนามขันห้าเป็นลักษณะของการถ่ายถอนอัตวาทุ่ปาทานเป็นการละอัตวาทุ่ปาทานหรือที่เราคูณกันก็คือส ก, กายทิฐินั่นแหละ ท, ทีนี้ถ้าหากว่าเริ่มรู้ปัจจัยเป็นต้นก็เพื่อที่จะละที่ถูกปาทานเพราะว่าจะละทิปัดที่ถูกปาทานนะความเข้าใจผิดว่าจากขู่นี้ใครสร้าง จักรู้ใครสร้า ง, งา น, านะก็ว่าจักรู้เนี้ยเกิดด้วยปัจจัยนะก็คือปัจจัยของจักรู้คืออะไรเหมือนพ่อพ่อของจักรูกรรมแม่ของเขาอ่ะตันหาวิชาวปาทานพี่เลี้ยงอาหารนะอะไรเป็นเครื่องแวดล้อมจะชักยุ่งเลยนะอะไรเป็นเครื่องแวดล้อม นะเครื่องแวดล้อมก็คือสีกลิน่นรสโอชาเป็นเครื่องแวดล้อมมีอะไรเป็นตัวอุปถัมภ์นะมีอาหารเป็นตัวอุปถัมภ์โอี้ใช่ไหมมีอะไรเป็นตัวที่เรียกว่าอนุบาลชีวิตตินสีเป็นตัวอนุบาล น, นะแล้วก็ยังมีมหาภูต ร, รูปนั่นแหละอยู่ในนั้น่ะเป็นคอยที่เป็นคนผู้เหมือนกับผู้สงสนารนาบอกงั้น มหาภูตารูปนั่นนะเป็นผู้สงสนารนดูแลอย่างดีเลยดัง น, น, นั้นความเข้าใจอันนี้เราควรควรเจริญให้มากมานะอย่างน้อยที่สุดให้จําให้ได้ก่อนทีนี้พอจําได้แล้วก็พิจารณาบ่อยๆถ้าพิจารณาไม่ออกนะทําใจให้สบายอย่างเดียวทีนี้ถ้าทําใจให้สบายนี่ทำํำยังไงจึงจะสบายนะคิดถึงสีสวยสวยนี่ใจสบายไม่ขนาดนั้นนะนึกถึงของชอบเลยนะมันไม่ไ ม, ไ, มไม่ตาบานนะมันตุบตับุตบตบ ต, บ ต, บ ต, บตบุนะ กวยเตี๋ยวปตา น, นั้นอร่อยจริงเลยนะนึกอย่างงี้สบายใจไหมไม่สบายเลยนะต้องไปกินให้ได้อย่างงั้นเนี่ยเรียกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ชื่อว่าทําใจให้สบายนะทําใจให้สบายก็คือสปายะนั่นเองอารมณ์อะไรที่เป็นสปายะต่อกุศลจิตก็เจริญกุศลนั้นๆนอัให้กุศลจิตเกิดแล้วก็มาพิจารณาเรื่องนี้ใหม่นั่นะพิจารณาใหม่แค่ว่าช่วงไหนมือสั่นนะอย่าเพิ่งร้อยเข็มนะ ใ ห, ให้มันให้มันหายสั่นหน่อยแล้วค่อยร้อยใหม่มาถ้ามันแตกมากก็เอาน้ำเจือๆหน่อยค่อยร้อยใหม่นะรีบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ช้าอีกก็ไม่ใช่แฉเอกก็ไม่ใช่นะนะก็บอกว่าการเจริญกุศลธรรมเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวเขาจะเรียกว่าปรับอินทรีย์ต้องมีความสมดุลกันมีความสม่ําเสมอกันนะถ้าศรัทธาอ่อนไปก็แสดงว่าในขณะนั้นเนี่ย เราไม่ได้ทราบซึ่งในคุณของพระตัณฑ์ไรไม่มีความเข้าใจในเรื่องกรรมจริงๆถ้าหากว่าความเพียรเราอ่อนไปเพราะขาดอะไรนะเพราะเราแสดงว่าเราไม่กลัวบายแล้วถ้าอ่อนความเพียรถ้าเราประมาทแสดงว่านิมิตของสติเนี่ยหายไปถ้าสมาธิไม่เกิดก็แสดงว่าสมาธินิมิตอ่อนไปถ้าปัญญาไม่เกิดก็เพราะขาดขาดการพิจารณาเพราะขาดการประกอบนั่ละ เัราถ้าหากว่าเราศึกษาเข้าใจเพิบเราจะเริ่มหาปัจจัยของกุศลแต่ละตัวแต่ละตัวจริงอยู่ในขณะกุศลและจิตเกิดนะผู้ที่ศึกษาที่ทำมาจะรู้ว่ามีศรัทธามีสติมีฮิริมีโอต ป, ปะมีอะโลพะมีปัญญามีอะไรเกิดเนี่ยแต่แต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้มีอํานาจมากนะนะเกิดร่วมกันก็จริงแต่เขาไม่มีกําลังนะต้องอ บ, บรมขึ้นนะให้เขามีกําลังอค่อยๆไปเสริมเขาอ่ะนะ พวกนี้เขาเรียกว่าทํางานเป็นทีมนะทํางานเป็นทีมบางตัวนี่มันอ่อนแอเราต้องไปบํารุงเป็นตัวตัวไปจนกว่าเขาจะสมัครสมานสามัคคีกันเขาเรียกว่ามัคคสมังคีนะเขาจึงจะทํากิจประหารกิเลสได้แต่ถ้าเขาไม่ค่อยสมาสมังคีกันเลยนะปัญญาบอกเฮ้ยอย่าไปศรัทธามากเลยนะสมาธิก็บอกว่าเออสงบสงบหน่อยปัญญาก็บอกไมวน่นะวิริยะเราทุ้งกันใหญ่เลยถ้าอย่างนี้แสดงว่ามีปัญหานะ แค่นี้ก็พอนะปัญญาบอกแค่นี้ก็พ อ, อปัญญาจริงหรือเปล่านอะดูน่าจะเป็นโกศชะานะ <laughs> หรืออวิชามันบอกกันอย่างนั้นพี่เกียรติโกศชาเข้ามากระติ๊บเลยบอกเอาไว้ก่อนเถอะเอย่างนั้นนั่นถ้าเราปรับสุขภาพจิตไม่ได้ละมันก็พัฒนาอะไรไม่ได้เลยอะไรกุศลจิตมันก็ปรับตัวไม่ได้เมื่อเมื่อปรับความรู้สึกไม่ได้ปรับความคิดไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเราอ่อนแล้วนี่ถ้าอ่อนขนาดนั้นทําอย่างไร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 ใ, ใครหน้าสงสารที่สุดคนที่เป็นคนที่มีอากุศลเนาะหน้าสงสารจริงๆเลยทีนี้ต่ออีกหน่อยนะว่าเวทนาของการงดเว้นจากปานาธิบตัติคือคืออะไรสุขเวทนาคำว่าสุขนี้ก็บอกว่าอุเบกขาเวทนาที่เกิดร่วมกับอากุศลเนี่ยกระเดียดไปทางทุกข์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 ปานาติปาตาปติวิรโต น, น, นี้เรียนฝ่ายดีแล้วฝ่ายไม่ดีไว้ตั้งนั้นแล้วนี่ต่อไปนะอ่าโดยมูลน่ะวิจัยโดยมูลว่ากุศลธรรมเหล่านี้ของผู้ที่งดเว้นด้วยจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยยานมีมูลสามด้วยสามารถแห่งอะโลภาอโทสะอโมหะของผู้ที่งดเว้นด้วยยานสัมปยุตนะนะถ้าผู้ที่พิจารณา สมาทานงดเว้นจากปาณาติบาหรือสัมปะตะจากปาณาติบาด้วยยาณสัมปยุทธ์ก็มีมูลสามคืออโลพาอโทสะและอะโมหานี้เป็นเหตุปัจจัยเหตุปัจจยโยปัจจัยต่อไปอะไรอารมณะปัจจยโยเออแล้วอารามณะปัจจัยของการงดเว้นจากปานาติบาได้แก่ได้แก่อะไรชีวิตติสีแสดงว่าใช้ได้แล้ว เรียว่าเกียร์ถอยได้ก็ใช้ได้แล้วต <c oughs> ีจะจะดูแต่ข้างหน้าไปเรื่อยๆนะถอยหลังไม่ได้เส <c oughs> <c oughs> ียเสียใชงไหพอได้ข้อเสียลืมข้อสองนี่ก็แย่เหมือนกั น, น <c oughs> พระธรรมนี่ไม่เหมือนศึกษาวิชาอื่นนะมันต้องถอยหลังได้เคยได้ยินนะอนุโลมปฏิโลม <c oughs> วิธีการแสดงปฏิจจสมุป บ, บาทของพระผู้มีพระภาคสี่อย่างห <c oughs> นึง่งตั้งกระต้นไปจบสองตั้งแต่จบมาต้น สามกลางขึ้นต้นส ora, ี่กล e างไปท้ายนะะต้องเที่ยวทุกแง่มุมทั้งโดยลัคนาที่จตุกะ society, โดยประเภทโดยปัจจัยเนี่ยรู้หมดละนั่นแหละการศึกษาพวกนี้ก็เหมือนกันเราต้องรีบไม่ได้เพราะว่าศึกษาพระธรรมนั้นศึกษาด้วยกุศลจิตนะสมาคมบคุมถามทำไม้ถามก็จำได้นะใช่ไองใช้ปฏิภาณดูถ้าเกิดไปไปหาเพื่อนะเขาถามเนจะเล่าให้เขาฟังได้ยังไงอ่ะ ก็บอกบางท่านก็บอกถ้าไม่เห็นหน้าอาจารย์มันก็ตอบไม่ยากแล้วเพราะงั้นต่อไปนะว่าตโดยกรรมอ่ะนะโดยกรรมก็คือการงดเว้นจากมูสาวาดเป็นวจีกรรมนะคือคือเอาในกรรมบททั้งหมดที่พูดอ่ะนะส่วนปานาติบาตอธินาทานการเมสุมิชฉาจาร์พวกนี้เป็นกายกรรมนะ ก็คือไอคําว่าที่เหลือตรงนี้ก็คือท่านพูดแบบศี่ห้านะคัมภีนี้บา ง, งแห่งคัดมาจากแบบสีลห้านะแต่ว่าปานาติบาเป็นกายกรรมทีนี้โดยการสมาทา น, นผู้ไม่ได้รับการสมาทานนั้นในสํานักคู่ที่เป็นครุฑานิยะบุคคลนะก็คือสมาทานด้วยตนเองนะน ะ, นะคือสมาทานด้วยตัวเองก็ได้ สมาทานด้วยกับผู้ที่เราเคารพก็ได้คารพฐานิยะก็คือครูเนี่ยแปลว่าหนักนะในบุคคลที่เราเคารพเรียกว่าคนที่เราหนักนะเรียกว่าครูว่างันสมาทานกับคนที่เราเคารพก็ได้หรือสมาทานเองก็ได้นะเป็นเอกัดกัดช้าเนี่ยก็คือสมาทานรวมว่างันหรือปัจเจกัดปัจเจกะก็คือสมาทานเป็นข้ อ, ขอก็ย่อมเป็นอันสมาทานแลว้ว โดยการขาดนะโดยการขาดศีนข้อนี้ก็คือสําหรับเครอหอข่าทั้งหลายสิกขาบทใดที่ล่วงเกินแล้วจะขาดเฉพาะสิกขาบทนั้นเฉพาะข้อข้อไปนะส่วนศิกขาบทนอกนี้ไม่ขาดถามมาทำไมอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเครือข่าทั้งหลายมีศีลไม่เกี่ยวเนื่องกันก็คือสมท า, านเป็นข้อข้อไปนะรับเฉพาะสิกขาบทที่สา ม, มารถรักษาได้เท่านั้นส่วนบรนประชิต แม้ล่วงละเมิดสิกขาบทเดียวก็ขาดทั้งหมดอันนี้นะสำหรับสมัมเนนถ้าถ้าเป็นเนนนน้อยเนี่ยนะตบยุงทีเดียวเนี่ยร่วงเลยเหลือแต่ผ้านประราชิกนะเนเนี่ยศีลหนึ่งถึงห้าเนี่ยถือว่าเป็นประราชิกของสมัมเนนนถ้าหากว่าไม่สมาธานศีลก็ก็ลำบากแล้ว <c oughs> ทีนี้ต่อไปว่าอันนี้สองของการรักษาศีลนี่คงเป็นวันต่อต่อไปนะ อันนี้สงดูนะว่าโหถ้าสมาทานศีลข้อหนึ่งรักษาดีๆ ด, ด้วยกุศลเจตนาเนี่ยพึงหวังผลอะไรได้บ้างนะเนี่ยตั้งยี่สิบสองข้อแต่ท่านบอกว่าเป็นต้นนะเนี่ยยังมีข้ออื่นๆ อ, อีกมากอันนี้สงเอาเทอกุศลจิตเนี่ยดีจริงๆเลยพระองค์สอนว่า อ, อนุบุพิกถาก็คือการแสดงทมตา ม, ามลำดับนะว่าขึ้นต้นด้วยทาใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยศีล ศีลเนี่ยเป็นเหมือนอะไรอุปมาศีลเหมือนกับถ้าคนข้ามฟากอาศัยอะไรเรือนะถ้าเดินทางอาศัยรถนะถ้าร้อนอาศัยความเย็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาบอกศีลเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องบรรเทาภัยเกือบทุกชนิดเลยนะสำหรับคนเดินทางไกลก็เป็นเหมือนกับสเสบียงเนาะ จะเดินทางกลายเนี่ยสีเนี่ยเป็นเหมือนกับสเสบียงนะเป็นที่พึ่งใช่ไหมผู้การว่างไงนี่สูตรที่ว่าวันก่อนอ่ะเมือม่อเช้าก็ยังพูดเลยผู้เท่าล่วงการผ่านวัยอายุร้อยี่สิบขวบเข้าไปถามพระผู้มีพระภาคใช่ไหมถามว่างไงว่าโอ้ยข้าพระองค์นี่มาบัดนี้แล้วก็อายุร้อยี่สิบปีแล้วบุญกุศลที่จะทําเป็นที่ต้านนะที่พักพิงที่อาศัยในภพหน้าก็ยังไม่มีนะมาถามข้อปฏิบัติกับพระพุทธเจ้านะ อายุร้อยี่สิบปีแล้วอ่ะบุญเรียกว่าความดียังไม่ได้ทำเลยะจะตายอยู่ร่ำร่อยร่ำรอยอยู่แล้วทำยังไงดีพระพุทธเจ้าว่าไงบอกว่าให้สมาธเรียกว่าความสำรวมทางตายสำรวมทางวาจาและก็ความสำรวมทางใจอันนก็คือประเภทสังวรสังวรมีกี่อย่างสังวรห้าอย่างหนึ่ง ตาติโมสังวรหรือเรียกว่าศีลสังวรสองสติสังวรสามยานสังวรสี่ขันติสังวรและก็วิริยะสังวร น, นะพวกสังวรเหล่านี้นี่แหละเป็นสเบียงเป็นที่พึ่งในภพหน้านะไ น, นนะอินทรียสังวรก็อยู่ในสติสังวรไงนะคือถ้าพูดแบบตัวอารมณ์ก็ได้แก่ตาหูจมูกเล่นกายใจใช่ไหมพวกนี้ เรว่าพูดโดยอินทรีย์แต่ถ้าตัวที่เป็นตัวสังวรจริงๆได้แก่สติทัศ ส, สติเป็นเป็นตัวสังวรนะสังวรด้วยปัญญาก็พิจารณานั่นเองนะพิจารณาอย่างไรจรึงจะชื่อว่าเป็นญาณสังวรนะพิจารณาว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพรธรรมานาะตาเป็นต้นนั่นเองนะนะเพราะอาวิชามีเพราะอะไรเป็นปจัจจัย อวิชามีเพราะอาสวะเป็นปัจจัยสังขารมีเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยนะการพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของญาณสังวรด้วยนะพิจารณาบ่อยๆ อ, ยอวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารกี่ปัจจัยบันเสาหน้าได้เรียนแนะ่ฮนะนี่ไหนนะสังขารไหน การอดแน่ไปแต่กไม่เวลาไรนะเขาไปไหว้พระที่อินเดียรุ่นโมทนาเอากันแล้วกันผมมาเรียนตามได้ครับไม่เป็นไรไ<อ>สิ่งใดนะอายุมากแล้วกิอายุน้อยกว่านี้หน่อยจะตอบได้อาจารย์ได้ทุกข้อครับ อ, อายุมากจําจมก็มัค่อยดีโอเวลาหมดแล้วครับท่านจะมีปัญหาอะไรไหมครับแถมท้ายถามหน่อยเถอครับ อ, อทุสานาโสก็คือเป็นคําอุทานของสัตว์นรกสี่ตัวนะทุอะไรครับทุก็คือมาจากว่าเราเนี่ยชั่วน ะ, เ, ออะเป็นคําอุทานเนี่ยในในคาถาซึ่งจาได้ไม่หมดห อ, อยู่ในคาถาธรรมบทอันนะเรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่งในคาถาธรรมบทเนเรื่องไดนะหทุเนี่ยโดยสับแล้วว่าชั่ว โดยสับเฉยเนี่ยแต่ว uh ่าคํานี้มันมีต่ออีกตั้งสองบรรทัดนะมีต่ออีกแต่ว่าเป็นหัวข้อคาถาเฉยในเรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่งในคถาธรรมบทนะมีมีกล่าวเรื่องทุตสารโสแล้วก็ในคัมภี์เปตแต่วัตถุก็มีกล่าวไว้นะมีมีอยู่สองแห่งสามารถค้นได้นะวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เท่านี้